อืฟังธรรมะกันพวกเราหลวงพ่อก็จะต้องใจพูด <c oughs> ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเราก็ต้องใจฟังฟังแล้วทำความเห็นในการศึกษาต่อไปถลุงย่อยไปเรากำลังเจริญสติกัน เราพูดเรื่องที่เราทําอยู่นี่แหละสิ่งที่เราได้ยินก็เป็นสิ่งที่เราได้ทําสิ่งที่เราทําอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินเราให้มันสมบูรณ์เอาไปทำเอาไปากรับสำรูจสุกตัวก็ให้รู้สุดตัวรู้สุดที่กายที่มือที่เคลื่อนที่ไหวเลื่อนไปรู้ตรงไหนก็ได้ ให้มันกลิ้งเสีดดอนความรู้สึตกตัวให้มันกลิ้งให้มันคล่องคล่งไปไปทั่วสพังกายถ้าพูดรวมๆก็คือกายถ้าพูดแล้วก็คือรูปคือนามนามก็คือเรื่องของจิตใจกายก็คือกายร่างกายที่เป็นดุลเป็นก้อนรู้จักร้อนรู้จักหนาวสัมผัสได อย่างของน้ําก็คือเรื่องที่ไม่มีการสัมผัสที่เป็นดุ้นเป็นก้อนเพียงแต่เป็นอาการที่มันแสดงออกแต่มันก็ยิ่งใหญ่อาการของน้านีอํานาจมากถ้าเราไม่รู้อาการของกายนี่ก็เกี่ยวข้องกับอาการของน้ำที่คอยม่่งการอยู่แต่ถ้าเรามีสติกั จะได้เห็นสมามว่าจะเกิดความเป็นธรรมได้แต่ถ้าเราไม่มีสติโูกกับนามเนี่ยจะไม่เป็นธรรมเป็นของเถื่อนไป บ, บังคับขับไสกันไปบางทีมันสั่งให้ฆ่าตัวตายไปอะเรจะมาดูมันเป็นเรื่องของอันตราย ใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายต่อตัวเองและเป็นอสารพิษต่อตัวเองและคนอื่นด้วยแต่เราไม่ดูไม่แลมความเถื่อนมันมีมากมันซ่อนเล็บใบเยอะแยะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรเยอะแยะมากมายกายของแต่ถ้าเรารู้ศึกเห็นเรื่องในเรื่องโลกเครื่องนาม ก็เป็นประโยชน์ประโยชน์ติมต้รื่องไม่พอประโยชน์ต่อคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นประโยชน์แก่พระศาสนาแก่พระพุทธศาสนาถ้าเราศึกษามันจึงจําเป็นจะต้องมาศึกษามาเรียนรู้มาทําให้แก้โดยมีสติเข้าไปดูแลสวดลูสอดเห็น มันอยู่ตลอดเวลาเหมือนนักลบที่สอดสอบแต้มรู่ศัตรูรู้อริเอาจนรู้แจ้งหมดมันจะจนจะคุ้มครองและปลอดภัยละในตัวสติมาสอดดูสอดรู้สอดเห็น เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตใจมาดูดูมันจะไม่อะไรบ้างอยู่ตรงนี้น้อยเราก็ต้องเห็นแล้วล่ะเรามาดูหันหน้ามาดูเนี่ยเห็นความคิดตัวเองเห็นความห่วงเอาอนอนที่ท่านเรียกว่าอวบนละท ม, มันอยู่างไรนังสือที่เราเคยอ่านกามมาฉันทะความปลอดภัในกาม รินดีในโลกในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสในอารมณ์แต่ก่มนาไม่ดูนึก ว, ว่าตัวเราที่แท้มันเป็นการ์มฉันท์ัศมันโผล่พุดพโผล่โเราก็เคยรับใช้เราก็เคยเสียเวลามากับสิ่งเหล่านี้พยาบาทรเราเกิดขึ้นมาสนับสนุนการ์มฉันทะทูศกเดียวกัน อากามาชันทะก็มีพยาบาทพยาบาทก็คือคิดไปในทางไม่ดีคิดไปในทางไร้ไร้เห็นเขาดีก็อิจฉาเห็นเขาแล้วก็คิดไปต่างๆนานาคิดใส่ตัวเองก็บางทีก็รังเกียจตัวเองโทษตัวเองในเรื่องที่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดคน อ, อื่นสิ่งอื่นเจ็บปวดพวกนี้เรียกว่าเป็นพยาบาทมันเกิดขึ้นมัน มหมในชีวิตจิตใจของเราถีนมิธะความห่วงเหงาเหงานอนเคิบคร้อหงุดหีิดเมื ด, ดสลุมสลือมีอ น, นี้ก็มีไม่กิจขิฉาความลังเลสงสัยเกิดมาทำไมตายแล้วอยู่ยังไงบาปคืออะไรบุญอะไร บางเลยสงสัยจะทำยังไงดีตัดสินใจไม่ลงจับจับจุดๆุดิดหน้าคิ ด, ดหลังแมนะ้ทำงานอยู่ก็ยังสงสงสัยอยู่ชอบแล้วไม่ชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนจัดเจนแม่นย่ำมันมีอยู่ในชีวิตเราเป็นชีวิตที่สังกระตายรองฟองผูกผูกม่อยม่นนคงนี้เป็นวิกฤติขาศีลปะปรวัติยมั่นเรื่อง อนอนเรื่องนี้เรื่องโกรธก็ยึดตะว้เรื่องทุกข์ก็ยึดเอาไว้ยเรื่องดีเรื่องชั่วยึดตไวายเรื่องผิดเรื่องถูกยึดเอาไว้ดึงจังกับความไม่จรินเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะความทุกข์เป็นทุกข์เพราะความไมาใช่ตัวตนนิสัยจริงที่ไม่ถูกบางครงที่มันเป็นภัยเป็นโทษต่อหราโมเน่ มันเป็นธรรมที่มันคอยที่จะทําให้เราเก็บปวดทําให้เราเป็นปีถอะในมุ่นคงสิ่งเราเนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาอะไรก็ก็ดจุยกระจายความรักกลายเป็นความเลียดความชังกันความสมัครใกลายเป็นความแตกเล่าอยู่สุขสบายกลายเป็นความมุ่นวายมันเข้าไป คำว่าจุดใดเราจุดนั่นก็ไม่ปกติละ <c oughs> หายใจในใจก็ไม่ปกติทางเป็นมากว่า ก, ก็พาให้เกิดโครคไข้ไข้เจ็บได้สารพัดยากนี้่ระมันดูมันจะแสดงออกให้เราดูทั้งหมดนั่นแหละถ้าเรามีสตินะนั่งจับจอ บ, จอบมองๆอยู่คอยมันจะบขุดออกมาถ้ามันให้เรานน่งนานๆเี่ยมันจะได้เห็น เราทำอย่างเดียวมันจะได้เห็นทำอยู่จุดเดียวมันจะได้เห็นเมื่อมันเห็นแล้วมันก็จะได้ <c oughs> สบาใจาโอ้อันไหมันเกิดขึ้นเป็นฝ่ายอากุศลบางทีมันก็เกิดเป็นกุศล้ือจิตใจดีจเฉลียวฉลาดออกจากทุกขเป็นเฉลียวฉลาดออกจากความโลภความโกรธความหลงเป็น ลาออกจากความเลอะความจังสลัดได้ง่ายไม่เอาไม่เป็นไรช่างว่ามันว่า ง, ง่ายๆ่าบางทีมันก็ว่าไม่ได้แต่วรรมื่อทำเนี่ยมันก็ยังช่วยเราอยู่นะมีอยู่ได้เพราะทำรรเพราะกุศลถ้ามีแต่อวิโรจน์โอ้ยต น, นี่เราเป็นผีไปแล้วเป็นใบเป็นบ้าศไปแล้วนี่กุศลคือทำรรม่อมช่วยเราอยู่อันที่ที่เราโกรธอะไนระ ไม่มีใครมาห้ามใครมันก็อยู่ตัวเองหายไปเองความทุกข์อย่างนี้ไม่มีใครมาชี้แจงเมทีมันก็หายไปไม่มีใครโกรธจนตายไม่มีใครทุกข์จนตายไม่มีใครหลงจนตายความหลงอาจจะได้บทเรียนความโกรธอาจจะได้บทเรียนความไม่ต่างๆอาจจะมีบทเรียนแย่แล้วแต่เราไม่ทําให้จเจริยังปกปิดอยูยังยังทุกข์สนกับเรื่องนี้อยู่ยังหาเรื่อง นายเจ้าสุกสนตัวสมมุไทยทัวสังขารมันซุขสนมันเป็ได้ชีพของเขาในอุปทานขันหานั่นเป็นอาชีพมันสุกสนโชคดีพู ง, งแต่งๆอยู่ดีไๆแล้วกินก็ได้แล้วอิ่มแล้วนอนก็หลับตื่นสบายอย่างสบายแล้วในบ้านในเรือนในห้องหลับห้องนอนอย่างดีพ่อติงว่าป๋อ เ, อเจ้าทุกคนบางทีมันวา หมูนี่ไม่ค่อยดีเลยตื่นขึ้นมาทำงานทั้งวันก็ขำเครียดไม่รู้ว่าเป็นอะไรตาก็ไม่ค่อยดีเรียงพกแก้วซุกสนทาไมมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้มันมันแสดงออกตามเหตุตามปัจจัยยกเรื่องโน้นมายกเรื่อง น, อนี้มาม่หลวงพ่อพูดว่ามีอยู่ไม่ประมาทไม่ได้ด สมาได้จะเสียเปรียบมันจะเสียเปรียบมันไปทางชาติหรือว่าคราวที่มันทำลายเราว้างมากเสียหายเาก้อางนันสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเราหมืนก็บสนิมเกิดขึ้นกับเหล็กถ้าประคองไดูแลไม่รักษาเอาไปวันเหล็กทั้งเหล็กก็พังได้เราจึงาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ยุงอื่นเลยมือนกับเรารักษาบ้านเรือนแล้วนี่ยนี่เลยก็ต้องรักษา มีสมุดบันสึกฝากกากระเป๋าเสื้อผ้าอาพรต้องรักษาถ้าไม่รักษาสูญหายมันผิดหายไปชีวิตวางชีวิตไม่รู้จักรักษายิดหายไปจริงๆเสียโอกาสที่เกิดมาเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติที่มีราคาดีเสียหายไปมากๆแล้วนี่กะนั้นเน่ชีวิตของเรานะถ้าจะเปรียบแล้วมีค่ามาก ใครจะมาซื้อเป็นลังเป็นเท่าไราก็ขายให้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเอาเงินแล้วค่าเที่ยไม่ได้มันสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตของเราอยู่ในโลก1ึงวันสองวันขึ้มีความปลอดภั ย, ไ ม, มมภย ไ, มไม่มีภัยไม่แล้วไม่มีภัยเราโลกหมดโลกครบลูท่วนแล้วเไ่ไม่มีภัยหมือหมอพยาบาล ที่รักษาผู้คนจนให้เขาออกจากโรงไปาบาลพ้นภัย ไ, ได้แล้วโรคไม่มีแล้วดูแล้วดูอีไม่มีแล้วหาไม่เจอแล้วแสดงว่าหายแล้วไปกลับบ้านได้ชีวิตเรากลับบ้านได้มอนกันนี่เราอยู่ตรงไหนกลับได้กลับบ้านได้นี่เราอยู่ตรงไห น, ไ น, น, นบ้านของเราคือปกติ ชีวิตต้องปกติทุกสัพพส่วนทั้งตาทั้งหูเสือรีร่างกายอะไรต่างๆต้องปกติชีวิตที่ปกติเป็นชีวิตที่คืนสู่เย้าสู่ธรรมชาติจิตก็ปกติปัะพัดสะและเมตังพิฆเเวจิตปก ต, ปกติเป็นของเดิมเป็นถิ่นเดิมของพวกเราจิตที่ปกติเป็นคนพัดถิ่นแล้วพัดบ้านแล้ว ไกลบ้านแล้วกลับบ้านได้เข้าสู่ปกติกายปกติวาจากปกตไปปิไม่พุงพองแต่งแต่ไม่โฟโฟแฝดแฝดไม่มีคลื่นเหมันก็เขาว่าทะเลปกติทะเลไม่ปกติคือมันมีคลื่นหนึ่งเมตรสองเมตรสองเมตรคลื่นจัดอันตันลายห้ามเรือเล็กเรือน้อยออกจากฝั่ง อากาศเข้าฝั่งได้หรือเมื่อยังอยู่ในทะเลก็ต้องรีบหาเข้าหมู่เกาะท่องหลายเพื่อหลบเคลนชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีมันก็เป็นเช่นนั้นัน่นไม่ปกติแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเรือถ้าคนในโลกขับชีวิตตนในเป็นบางทีก็ล่มจมไป เลียผู้เสียคนไปทั้งชาติเลยเป็นเรื่องของหลไม่ให้มีความสุขกับเขาอาบูนาบุญกันนั่นแหละหลวงพ่อไปประเทศสหรัฐอยู่แถวๆนั่ น, นแถวๆป็เนเอร์ที่เครื่องบินเขาชนนันมีคนตามบอดจืดระวังซ็นเตอร์ลงไปเกาะ อ, อะไรเกาะอิสระภาพน่ะ พิพิธภัณฑ์ของเขาอยู่ในเกาะนัะ้นเป็นที่เดินผ่านของนักท่องเที่ยวลงเรือไปชมหมูกก่เ <c oughs> กาะเกาะที่เป็นเกาะ อ, อิสฉะภาพเกาะพิพิธภัณฑ์กันไปต่เด็กสมบัติมีคนหลังคนหนึ่งตาบอดยืนพิงกำแพงกำแพงตึกแล้วเกิดดีดที่ตาวืมนวิ่งวิ่งสวยปราจารย์กระปุนนะ่ะหน้าตานะ <c oughs> หน่ะคนตาบอดนะ เราไปอินเดีเหมือนกันผลพิการ น, นี่แหละแต่ว่ายืดตากแดดตากหนาอย่างนั้นแหละแต่วก็ยืดอ่าแว่าเลยวนพยาบาลคนหนึ่งไม่ต้องออกเครื่องเคื่อคนเชียงใหม่เราก็ยื่มันยืดสิบกว่ปีเป็นพยาบาลพูดคำก็ว่าทุกคูดคำก็ว่าทุก ต้องขับรถเล่นในบ้านทั้งสองหลังให้คนเช่าตอนนี้ดหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเขบอกว่าคนลองดูฝรังคนนี้ไปสินั่นคือหน้าเหมือนมีสุขจริงๆนะเึาคนดูเขาก็ชะงงชนแท้พอาะเขาดูหน้าตาฝลัง่งเขาบอกว่าเขาเป็นอย่างไงดูเราเป็นยังไงเขาก็คิดได้เฉยโอ้ เขาขนาดพาประเปดินอยู่ตากหนาวตากแด ด, แดที่ถนนเขา ย, า ย, ยาาาขงาังนิ่มอมนิ่มนิ่มเเขาก็เปิดกระเป๋าไว้ผนผลใบกระทิ้งผนล่าให้ทิ้งใส่ทิ้งใส่เขก็ไม่รู้เที่หอกแต่เขาเปิดกระเป๋าวางไว้ข้างหน้าเขาก็จะนี่งไปเขาจะนัให้เขาจะให้เห็นเนาะตังเวลาเขาจะไปจับกร ะ, กประ เ, เป๋ารุดซีบกลับบ้านโั้โหเชียนน่ะแต่ว่าดูสิคนอ่ะ ลดเล่นนะเรานั่ ง, งนี่นะบ้านก็สองหลังอาชีพก็ถึงกับเป็นพยายบาล น, นะเราจะยิ่งอย่างนี้ทั้งวันได้รึเงล่าไม่ได้หรอกมันทุกข์เรื่องไหนเราก็คิดได้ขึ้นมาโอ้เราเนี่ยเปรียบเทียบกับคนตาบอดมันต่างกันเราทําไมจะมาอมทุกข์อยู่เชเขาคิดด้วยกันทีเข้าวัดตะพุทพพธปฏิบัติธรรมนะทำครวัวทำอาหารให้พระ แต่วันไหนไดไปยินไปเสียงพิบานคนนี้หรองอนเขคุยเชื่ฉันเขาต้องหาเชื่อนีอตามสติแล้วงอาคุยเชื่ฉันก็ต้องหาเชื้ยินเสียงพิบาลคนนี้แะพเราก็มีหวังอิ่กันนะแต่ต้องรอฟังเสียงนี่อดนะนี่เป็นแม่ครัวจิตวิทยาแล้วขับรถขับรถไปทางานทาการ อาวันเา ว, วันที่เออามาเนาะเสียงบันบันะ้นาสงสัยชื่ในใจได้ยินเสียงมืดมนมาฉันเศ้าฉันเพลินเนี่ยแล้วจะไปอมทุกขงง์กันอ่ะบางทีเราเป็นผู้วันอาจจะทุกข์กว่าใครใครก็ได้นี้เราก็ประเสิบแล้วหมดของอาชีพแล้วจนได้ชื่อว่าข้าบาลอาชีพสุดยอดเลยไม่ต้อง เรื่องไม่ท่วงมผลดีก็ไม่ท่วงอาชีพที่มาตรฐานอาชีพมาตรฐานทางภายนอกวันนี้มอาชีพสิก ข, ขาและทำสิกขาและทำมันี้เป็นอาชีพภายในของเราโฉมอาชีพภายนอกเยอะเลยในโลกเนี้ไม่มีใครแต่งเต้ากระสวยขว้งวผั บางทีหลงพ่อพพยาบาลไปอบรมนักเรียนน่ะถามนักเรียนดวูว่านัเรียนเนี่ยฝันเป็นไหมฝันเป็นไหมใครฝันเป็นถามมาียนักเรียนผู้หญิงฝันอยากเป็นพยาบาลทำไมถึงอยากเป็นพยาบาลเพราดูอาจารย์ที่มาสอนเน่ยสวยดีนุ่งผ้านุ่งเสื้อใสเสื่อสวยดี เขาอยากเป็นพยาบาลพอเราได้เป็นพยาบาลแล้วเราต้องสุดยอดของชีวิตเรานี่เป็นอาชีพรับสุดยอดของอาชีพคือทำรรคือสติมีความรู้สตัวมีความรู้สตัวนี่ยเสริมเข้าไปทํา ง, งานทําการเป็นกิิรยาเป็นศินละปะไปเลยกิริยาการไปนอก มีความรู้สึกตัวเป็นภายในเลือดเย็นฉ่ำเย็นสมุกนุ่มนวลไม่ไม่ว่าไมโอ้ในโลกนี้ไม่มีใครมีความสุขเท่าเราถ้าเราอยู่เป็นแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ อ, อยู่ได้เช่นคนตาหมดข้าตึกพี่ตึกซิสเตอร์ใกล้ๆกับกันนั้นยิ้มทั้งวันพี่กูอะไ ร, ะไรก็ไม่ไหวการคำฝนก็ยิ้มได้ทั้งวันเหมือนกะันนะ อ่าคนดีกัเรองนี้อ่ะ น, นี้เสียหน่เราเ่งเอะไรเราก็ทําได้นะไม่เสิยที่จริงๆเราโกรธเรา ก, เ ก, ก, ก, ก, ก็มีสิทธิที่จะโกรธเราทุกข์เราก็มีสิทธิ์ที่จะทุกข์เนี่ยตรงนี้เราอยากให้ปฏิบัติไม่ใช่ความโล ด, ดตรง่เรจะกลับเปลี่ยนไล่ก า, ายเป็นดีเปลี่ยนหลงกลายเป็นโลสรุนตัวโลให้มากๆนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เราเราช่วยกันไม่ได้จริงๆต้องทำเอง การเปลี่ยนสร้างตัวโลกขยันโลกการขยันโลกเนี่ยเป็นวิชาเอกของชีวิตวิชาเอกของการอาชีพก็มีเอกอะไรล่ะเอกพยาบาลก็เอกภาษาอังกฤษเอกวิทยาศาสตร์อันของเขาไปเอกชีวิตคือความรู้สึก ต, ตัวเป็นวิชาเอกเอกกัมมโควิสุทธิญาพระพุทธเจ้าปัดไว หลายพันปีแนละ้วเอโกมโคเอกภาษาเนี่ยขนาดนั่นนะพระพุทธเจ้าเอโกมโวิสุทธิ์เป็นทางเอกหมายเลขหนึ่งที่จะดำเนินชะีวิตสู่จุดหมายป่ายทางดีสติปัติฐานสสติปัตฐานสุดสติปตัตฐานคืออะไรดีแล้วเราทำอยู่ในฐะานคือที่ตั้งตั้งอยู่ที่นะั้นตั้งไว้ที่กาย ลงหายใจก็เป็นกายเดินก็เป็นกายยกเอเคลื่อนไหวอยู่นี่ก็เป็นกายพลิกตาคือ น, นั่งไหลเดินเดินนั่งนอนเป็นกายทั้งหมดต้องไว้พิษฐานเอาตั้งไว้พิณ น, นี่เป็นฐานให้กลับมาชู่ตรงนี้นี่นมันไปคิดไปก็กลับมาชู่ตรงนี้นี่เป็นการพูดตัวเองตรงนี้กลับไม่ได้ปลดนะไม่ได้ปลดเลย ภิกษเดินจงกรงอยู่นั่งอยู่เมื่อเธอคุ้มชิดในอารมณ์ที่คุ้ชิดเธอไม่ลูจับกับคุ้มชิดไปกับอารมณ์หนัน่ในความคุ้มคิดพิสูุนั่งถือว่าเธอเกลียดข้านพิสษุนั่งเป็นคนเกรียดข้า ด, ดาไม่มีความเลียรส่วนภิษุใด เมื่อคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดเธอรู้จับ ก, กลับมามีสติสมัชัญญะเ mm hmm. ลี้ยเลอยู่พิสูจ น, นชื่อว่าผู้ปราลบความเพียรไม่ใจะนอนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ปราลบความเพียรวางทพียงยก็คือรู้จักตัวหนึ่งไปเห็นวิ่งทั้งวันไปเห็นเดินทั้งวันวางเพียนรู้จักตัวทำ ง, งานทั้งการก็รู้สักตัวนั่งหละคือความเพียร ผูมีความเพียรย่อมคนจะทุกข์ทุ่งห่วงเยวิอิเห น, น, นะทุกขมัรเจติคนจะล่งทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเพียรตัวไหนเพียรขยัดโล่เพียรกลับมาโล่มันจะไปไหนเพียรกลับมามาต้องมามาตัวงมาเหมือนเด็กตั้งไข่ถ้าลุ่มแล้ไม่ลุกมันก็งายแข็งแรงเด็กตั้งไข่พอลุ่มพุ๊บมันก็ลุกปุ๊บทันทีแต่นี่ไงอย่าไปจับมันโล่เย็นโู่ก็ได้ บางคนโลกน้อยล่งลโอ้ตายตายตายไปจอมลูกมันจะอ่อนแอแต่มันล่งลงอ้าวมุกมุกมุกมุกมุกุกเมน่อก่อนหลวงพ่อเคยมีแม่บอกเวลาเล่นนี่เดอวกมมุว่าจะล้มงให้เลยไม่ล้องให้เลยุกขึ้นมาทันทียมันนี่เฮ็ยแรงนาดนีีวิตเาทีไพเนี่ยทาให้เรามีศิลปะนะไพ่เองเกิดจาก ความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันเป็นศินละปะสุกิกขึ้นมาโอ้เกี้ยเลยยกเงือไหวตัวเองได้ในสถานการณ์บางอย่างนะเก่งแทนที่เราจะโกรธเราไม่โกรธทนที่เราจะทุกข์เราไม่ทุกข์มันยังเป็นภาพอยู่นะ ม, มันเป็นภาพลึกๆที่เราผ่านไยมามันเป็นศินละปะ เนะี่ยอย่าไปกลัวปานนี้เราไม่ทุกมันจะได้หรือานนี้แหละเราไม่ทุกเขาอะไรทางนี้แหละเราไม่ท mm hmm. ุกเลยนี่อะมันยกหนูไหวตัวเองเราไม่โกรเนี่ยยกหนูไหวตัวเองสิ่งนี้นแหละไม่ใช่ยืนไกลหรอกเอาบอกตร ง, ตรงเอกุศลกือโลภะโทสะโมหะสามอย่างนี้เป็นตัวลายกุศลก็คืออโลภะอโทสะโมหะสามอย่างนี้เป็นของดี ยุหลากเน่าของอากุศลธรรมคือโลภะ ห, หนึ่งโทสะหนึงโมหะน่งถ้าอากุศลสามอย่างนี่เกิดในตัวเราแล้ ว, ลวอกุศลอื่นเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเลิศมากขึ้นจเจริญมากโค้งงำสิงสมาธิปัญญาได้เหมือนหาาญ้าคาหญ้าพงหลวงพอ่พอปลูกทนไม่ไหวมองหาต้นมไม้ไม่ไมีเลยหมดเงินไปแปดรอยบาทยังไม่ได้ผลไร่เลย ปราบโอ้กว่าที่จะปรับยังง่าย <c oughs> ด, ด้ ด, ดิทางวันหลวงพ่ไปดูพอเราเดินผ่านไปกลางนอนหลวงพ่อให้คนมาไ ด, ายยา ด, ดอ้อ่ะโอ้านง่ายไปไม่แต่ต้องง่ายดีๆพันดีๆพอโดยอดอ่อนพอโดนจิงอ่อนพอโดนลายโหกลงไปเอาไ้วัดจะพืชคมไปหมดเลยถ้าเปียทต้นพ็โดลายเหมือนกับกุศลทูบเอากุศลขอบมีมันกันนะ ในมันกันเสี่ยงวัลลรอบไม่เลยแล้วก็ทุกกระชื่อมดน้ําสงกระิีพ้าปลากระชีอ่นตันนากระชีถังใจประสงเหลวมือแก้วก็เดินหอดใจประสงหอดแกวนั่งทำสคนหาเงินไปบุกเงินไปอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดบุกไปเลยเลยพรอมันง่วงก็้ามาไปหยุดไม่ได้พอมันปวดเข้ามาก็หยุดไม่ได้พราะมันหลงเข้ามาก็หลงก็หยุดไม่ได้ ห ม, มุนไปเลยอยาไปยอมทนที่นี่กุศลหน้าขโมยของกุศลมนี้อรหัน่์อธิษฐานอโมหะนั้งนหนง ม, มหหงกุศลมีู่แล้วกุศลเรื่นเที่ยงที่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็จะเลิญมากขึ้นพรอกงำอะไรๆหลาันพอกงำอกุศลอะไหลเจ้าปาน ดวงอาทิตย์คลอกนําความมืดสว่างสว่ามันก็แค่นี้นะเราจึงมาสร้างสิ่งที่เราทําได้บางคนก็พูดมีสิ่งที่เราทําได้แล้วพูดในชีวิตประจาวันเราเนะี่ยนี่คือตัวการปฏิบัติอย่าเพิ่เรียกว่าจะเป็นลิทธิเด็ดลิทธิก็ ค, คือทําให้สําเร็จสาเร็จจากอะไรสําเร็จจากความทุกข์มาเลยนี่จริงๆนะตัวเนี้ยชนะทุกเ้เรียกว่าเป็นลิทธิของเรา เป็นฤทธิ์ทำให้สําเร็จแลาจริงจริงเรื่องนี้นะ้าไม่ขีช่ช่างขี่ม้ามาหรอกความทุกขนะ์นั้นเกิดขึ้นจากเรานยะนิดๆหน่อยเกิดความหลงเท่านั้นนะลุ่มลุ่น ล, ลุ่มต้นมันควาลงนะแล้วครู้ลู้ถึอตัวมาเท่านั้นหลวงพ่อก็เลยโพดว่ามีตัวลูกก็ต้นหลงเท่านี้เองเราจะยอมแพ้เลยแค่นี้เราก็ช่วยเลยมากๆคนนี้แหละ สู้ม า, มากกว่านี้แล้วนี่มากเก่งๆตัวเราที่มานั่งอยู่ในได้พอสู้กับอะไรมาแต่ว่าอยู่ภายในตัวเรามีตัวลูกกับตัวลงเราคงเรืมาสร้างตัวนี้อันนี้เราพ่อก็จะไปเทศเท้า น, นนาน้องตนณาตอนเช้าจะไปปวดตากตอนสันเทนเราจะได้แสดงธรรมไปอีกแล้ววันนี้ น, ะน่ะมาวันนี้ก็พูดให้กันฟังนะ พระพร้อมกันอะระหังสะมาสะโมตตะกาังภะะันตังะตุวะเถนะอะคาโตภะโขาโมน สุปฏิปันโนภาตะกันชาภาชาั้งก่นชามังัน